ตอนที่สี่สิหกเขายังเป็นหลินเซินอยู่หรือไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อท่านพี่และท่านพ่อกลับจากราชสำนักก็กล่าวเช่นนี้จริงๆสิ้นอองอาศัยจังหวะที่ฝาบาททรงมีท่าทีอ่อนลงเพราะเรื่องนี้เอ่ยถึงเรื่องการส่งทหารไปรบกับตันตีขึ้นใหม่อีกครั้งฝาบาททรงพระพักเบึ้องตึงลงทันทีโชคดีที่ท่านพี่เอ่ยถึงเรื่องที่เยี่ยเยเอาบรรเทาทุกด้วยการแจกจ่ายโจกเพื่อเบี่งเบ น, นประเด็นสีพระพักของฝาบาทจึงดูดีขึ้นบ้าง ได้ยินว่าหลังจากเล่าวขุนนางเลิกประชุมแล้วสิ้นอ๋องยังคงไม่ยอมเลิกราเข้าไปพบฝาบาทเป็นการส่วนตัวแต่สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปด้วยความไม่พอใจเช่นกันเมื่อสิ้นอ๋องออกมาจากห้องทรงอักษรก็ใบหน้าแดงกำ่ำด้วยความโกรธฝาบาทเองก็ทรงกริ้วจนพระพักเขียวคลั่แม่แต่ข้ารับใช้คนสนิทยังต้องกรนิบัติอย่างระมัดระวังอย่างไรเสียเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของจวนสิ้นอ๋องเยี่ยงเราไม่ได้มีอำนาจกว้างขวางปานนั้นจึงไม่อาจเข้าไปก้าวไก่ได้มากนะัก ในเมื่อท่านพี่ได้กลับทูลเรื่องการแจกจ่ายโจกบรนเทาทุกต่อฝ่าบาทแล้วก็ต้องจัดการเรื่องนี้ให้รอบครอบและเหมาะสมที่สุดยังดีที่เหล่าพ่อค้าเพื่อหวังชื่อเสียงที่ดีจึงทา ง, งานค่อนข้างรวดเร็วเสบียงอาหารจะมาถึงในไม่ช้ายี่ยาวกลางแผนที่เมืองหลวงออกแล้วว่าจุดที่ผู้ประสบภัยรวมตัวกันอยู่หลายจุดพร้อมทั้งวางแผนจานวนโรงโจกให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ หลังจากนั้นเ ย, ย่หัวจึงรับหน้าที่พาทหารไปตั้งโรงโจ๊กและสร้างตาไฟให้เรียบร้อยกว่าทุกอย่างจะเตรียมการเสร็จสิ้นก็ใช้เวลาไปถึงสวันในวันที่เริ่มแจกจ่ายโจกอย่างเป็นทางการเย่ ย, ยาวก็เดินทางไปยังสถานที่จริงด้วยเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในนามของนางนางจึงจําเป็นต้องปรากฏตัวเ ย, ย่หัวระดมกําลังกองทัพตระกูลเ ย, ย่มาอย่างเพียงพอเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองเย่ ย, ยาว วันแรกทุกอย่างเป็นไปตามแผนผู้ประสบภัยเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมื่อพวกเขาได้รับการดูแลเมืองหลวงจึงสงบสุขขึ้นมากเย่เยายุ่งจนถึงขํามืดจึงพอมีเวลาว่างนั่งลงเช็ดเหงื่อมีหญิงชราผู้หนึ่งถือชามโจ๊กจูมือหลานสาวเดินโซเซโซเซเข้ามาหานางแต่กลับถูกองครักษ์ของเย่ยหัวขวางไว้ที่ด้านนอกโรงโจ๊กนางจึงคุกเข่าลงเสียงดังตุ๊บที่หน้าโรงโจ๊กแล้วดึงหลานสาวให้ก้มศรีรษะคำนับเย่เย่อย่างสุดชีวิตขอบคุณแม่นางที่มีเมตตาอันยิ่งใหญ่ หญิงชราผู้นี้แม้จะตอบแทนบุญคุณในชาตินี้ก็คงไม่หมดชาติหน้าขอเกิดมาเป็นวัวเป็นม้าให้แม่นางรับใช้เย่เย่าวรีบลุกขึ้นเดินเข้าไปสั่งให้องครักถอยไปแล้วประคองสองย่าหลานขึ้นมาท่าญะท่านกล่าวเกินไปแล้วแค่โจ๊กชาเดียวเท่านั้นไม่ควรค่าแก่การเอ่ยถึงเลยเมื่อเห็นเด็กหญิงตัวน้อยที่อยู่ข้างๆดูน่ารักเย่เยาวจึงอดไม่ได้ที่จะยิ้มแล้วช่วยปัดเศษหญ้าแห้งบนศีรษะของเด็กน้อยออกเด็กยังเล็กเพียงนี้เหตุใ ด, ดท่านย่าถึงพานามาเพียงลําพังเล่า หญิงชาราน้ำตาคลอเบ้าพอแม่และน้องชายของนางถูกน้ำพัดหายไปหมดแล้วหญิงชาราผู้นี้ไรความสามารถค้าไว้ได้เพียงคนเดียวพูดไปน้ำตาก็ร่วงเพาะทําทให้เยะเยและสาวใช้ทั้งสองที่อยู่ด้านหลังอดไม่ได้ที่จะน้ําตาซึมตามไปด้วยหญิงชารามือสั่นเท้าขณะเลิกแขนเสื้อที่ขาดรุ่งริ่งขึ้นเผยให้เห็นบาดแผลโนเฟเป็นบริเวณกว้างจนหน้าตกใจตลอดการเดินทางหญิงชาราผู้นี้ต้องเฉือนเนื้อป้อเลือด ถึงได้พาทารกคนนี้มาถึงเมืองหลวงได้หากไม่ใช่พระโจกที่แม่นางมอบให้ได้ทันเวลาหญิงชราผู้นี้กับเด็กคนนี้คงต้องจบสิ้นลงเพียงเท่านี้เมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนต่างก็ตกตะลึงอย่างยิ่งดวงตาประดุดดวงดาวของเย่า ย, ยาเบิกกว้างนางเติบโตมาอย่างสุขสบายแม้ชาติก่อนจะเคยติดคุกแต่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าความทุกข์ยากของมนุษย์นั้นโหดร้ายเพียงนี้ นางเดิมทีคิดว่าการที่ตนเองถูกคนทําร้ายจนบ้านแตกสาแตกขาดในชาติก่อนนั้นน่าเวทนาพอแล้วแต่กลับไม่รู้เลยว่าสําหรับชาวบ้านธรรมดาเรื่องเช่นนี้กลับเป็นเรื่องปกติอุทกภัยเพียงครั้งเดียวสามารถทําลายครอบครัวได้นับไม่ถ้วนในโลกนี้ยังมีผู้คนอีกมากมายที่น่าเวทนายิ่งกว่านางเมื่อมองไปยังบาดแผลนอ เ, เฟ น, นั้นเย่ก็รู้สึกจุกอยู่ในลําคอชาติก่อนนางถูกทรมารในคุกจนบาดเจ็บไปทั้งตัวย่อมรู้ดีว่าความเจ็บปวดนั้นเสียแทงถึงกระดูกเพียงใด แต่หญิงชราผมขาวโพรนผู้นี้กลับสามารถเชิญเนื้อหนังของตนเองเพื่อเลี้ยงดูเด็กและยังประคองตัวมาจนถึงเมืองหลวงได้ความรักความผูกพันนี้ช่างน่าตื้นตันและน่าเลื่อมใส ย, ยิ่งนักเย่เย่ากัดฟันกลืนน้าตากลับไปหันไปสั่งสาวใช้ทั้งสองว่าไปตามท่านหมอหลี่มาบอกท่านพี่ว่าให้ตั้งโรงยาข้างโรงโจ๊กเพิ่มอีกแห่งจนกัวกงจะเป็นผู้จ่ายเงินเองเชิญท่านหมอในเมืองหลวงมาตรวจอาการและแจกจ่ายยารักษาโรคฟรี สาวใช้ทั้งสองพยักหน้าแล้วรีบไปจัดการตามคำสั่งเมื่อหญิงชราและผู้ประสบภัยโดยรอบได้ยินเช่นนั้นต่างก็พากันกรูเข้ามาขอบคุณอย่างสุดซึ้งชั่วครู่หนึ่งเย่เยาก็ถูกฝูงชนเบียดเสียดจนเซไปเซมาทุกท่านไม่ต้องขอบคุณข้าอย่าเบียดกันเลยเท้าของนางบังเอินสะดุดเข้าเย่เยาตกใจจนใจหายร่างกายหงายหลังล้มลงไปทว่านางกลับไม่ได้กระแทกพื้นแต่กลับตกลงไปในอ้อมกอดที่คุ้นเคยยังคงเป็นกลิ่นหอมสะอาดของไม้ไผ่เช่นเดิม เยี่ยวยาวหันกลับไปมองด้วยความตกใจและเห็นหลิ้นเซินที่มุมปากยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยใบหน้าที่ดูเด็ดเดี่ยวและหล่อเ ห, หล่านั้นดูอ่อนโยนเป็นพิเศษวงแขนที่แข็งแกร่งทว่านุ่มนวลรับร่างนางไว้ในอ้อมอกได้อย่างมั่นคงหัวใจของเยี่ยยาวสั่นสะท้านอย่างรุนแรงชาติก่อนใบหน้านี้นอกจากจะหล่อเหล่าแล้วยังเย็นชาและห่างเหินอย่างถึงที่สุดวงแขนแข็งแกงร่งราวกับทีมเหล็กไม่มีความผนุถนอมแม้แต่น้อย ข้อมือของเยี่ยยาที่ถูกเขาจับมักจะทิ้งรอยนิ้วมือสีแดงกำม์เอาไว้เขาทำราวกับจะบีบกระดูกนางให้แตกละเอียดแต่ในชาตินี้เหตุใดความแตกต่างถึงได้มากมายเพียงนี้เขายังเป็นหลินเซินคนเดิมอยู่หรือไม่เมื่อเห็นนางนิ่งอึ้งอยู่นานไม่ยอมลุกขึ้นมุมปากของหลินเซินก็ยกขึ้นอย่างมีเลเสนายเยา่ยยานี่เจ้าเหนื่อยจนยืนไม่ไหวจริงๆหรือว่าเขาพลันโน้มตัวลงมาใกล้ที่จะฉวยโอกาสเอาเปรียบซื้อจื่อผู้นี้กันแน่ เย่เยาได้สติในทันทีนางรีบยืนตัวตรงแล้วแอบออกแรงผลักเข้าไปที่หนึ่งก่อนจะถอยห่างออกมาสองก้าวเย่หัวพาทหารมาถึงอย่างรวดเร็วและกันเย่เยาวไว้ด้านหลังลินเซอร์ยิงคงกางแขนที่เพิ่งกอดนางไว้ค้างอยู่ราวกับยังรู้สึกอะไรอาวร์ส่วนเย่เยากลับก้มหน้าเบือนหน้าหนีไม่มองเขาเย่หัวจึงพอจะเดาเรื่องราวได้เขาถึงตาใส่ลินเซอรทีหนึ่งแล้วถามเย่เยาน้องหญิงเขาแกล้งเจ้าอีกแล้วใช่หรือไม่ที่จะจัดการให้ เยี่รีบคว้า ม, มือของเยี่หัวที่กำลังจะชักกระบี่ไว้ทันควันท่านพี่อย่าใจร้อนเป็นข้าที่สะดุดล้มเองซื้อจื่อเข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีแม่นางจะไม่มองหลินเซินแต่หลินเซินกลับจ้องมองนางอยู่ตลอดเมื่อได้ยินนางชมตนเองเขาก็รู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาอย่างประหลาดมุมปากไม่อาจถุบลงได้เลยกลับยิ่งยกสูงขึ้นเรื่อยๆเยี่หัว เมื่อเหลือบมองท่าทางลาพองใจของหลินเซินแล้วมองไปหน้าเล็กๆที่ดูประม่าของน้องสาวเยี่ยหัวก็รู้ว่าตนเองใจร้อนเกินไปจริงๆเขาขยับคอเซอร์แกเกลพลางเก็บกระบี่เข้าฝักแล้วประสานมือคาระวะอย่างขอไปทีขอบพระคุณซื้อจื้อแล้วไม่ต้องเกรงใจหลินเซินอารมณ์ดีอย่างยิ่งในเมื่อท่านแม่ทับน้อยงานยุ่งจนปลีกตัวไม่ได้ให้ซื้อจื้อผู้นี้ดูแลเยอ่อเองเถิดเยี่ยเยาเยี่ยหัวไม่จําเป็นหลินเซิน สมกับที่เป็นที่น้องคลานตามกันมาช่างรู้ใจกันดีเสียจริงหญิงชรานํากลุ่มผู้ประสบภัยกล่าวขอโทษด้วยความรู้สึกผิดอย่างยิ่งเป็นความผิดของพวกเราเองพวกเราเกือบจะทําให้แม่นางล้มเสียแล้วแม่นางพวกเราขอโทษเหล่าผู้ประสบภัยต่างพากันคุกเข่าลงเป็นแถบเย่อย้วรีบเข้าไปประคองขึ้นทีละคนข้าไม่เป็นไรมีซื้อจะอยู่ด้วยข้าก็ไม่ได้ล้มลงไปไม่ใช่หรือทุกท่านรีบลุกขึ้นเถิด ดวงตาของหลินเซินเป็นประกายเขาเรียบรับคําทันทีถูกต้องเยาเยาคือว่าที่หูหญิงของซื่อจื่อผู้นี้ข้าย่อมต้องปกป้องนางให้ปลอดภัยที่สุดมีซื่อจื่อผู้นี้อยู่จะไม่ยอมให้เยาเยาได้รับบาดเจ็บแม้เพียงนิดเย่เยาและเย่หัวต่างถึงึงตาใส่เขาพร้อมกันอีกครั้งหลินเซินแสร้งทําเป็นมองไม่เห็นเหล่าผู้ประสบภัยไม่ได้ยินเช่นนั้นก็เชื่อตามนั้นต่างพากันตะโกนก้อง ขอให้ซื้อจื่อแล้วว่าที่ซื้อจื่อเฟยครองรักกันชั่วนิรันมีบุตรเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมีความสุขและอายุยืนยาวเยี่ยหัวและเยี่ยเยามองหน้ากันเลิกหลักเยี่ยหัวจะจบเรื่องนี้อย่างไรดีเยี่ยเยาท่านถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครกันลินเซินทำตัวเป็นเจ้าบ้านเสียเองตะโกนบอกว่าเอาละทุกท่านเข้าแถวให้เป็นระเบียบมาทีและคนไม่ต้องรีบและอย่าเบียดกัน